สติสัมปชัญญะรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรชั่วบรรดาผู้ที่รู้ประโยชน์สูงสุดคือพระพุทธเจ้าบรรดาผู้ที่ทําประโยชน์สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่เลอะเลือนฟั่นเฟือนแต่พระองค์ก็ป r งอายุสังขารเพราะพระองค์พิจารณาไข้ครวญสมบูรณ์เสร็จแล้วพระองค์ก็ป r ง l อ่าเปล่งอุทานอันนี้ขึ้นมาว่าพระองค์ไม่กลัวเลยที่พระองค์ดับคันทัปริณิพานนี่ยนะ พระ อ, องค์ไม่กลัวก็จริงแต่คนอื่นกลัวกลัวอะไรเช่นกับพวกเราเนี่ยนะกลัวหมดคําสอนก็เพราะอะไรก็เพราะว่ายังไม่ได้ตรัสรู้คาสอนใช่ไหมมันยังไม่เข้าถึงคําสอนอันสูงสุดก็เลยกลัวที่กลัวก็เพราะว่าตัวเองยังพ่องนะ่ะนะก็คือยังไม่ได้รับอริยสัพจากพระพุทธเจ้าเลยนะก็เหมือนกับว่า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 มีความสุขดีกินอิ่มนอนหลับสบายตามเดิมเหมือนัะทีนี้ตอนที่พระองค์ดับขันทพรินิพานตอนนั้นเนี่ยนะขออภัยปร่งอายุสังขารปล่งอายุสังขารเนี่ยแผ่นดินใหญ่ก็ไหวขึ้นเกิดอาการที่น่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวกลองทิพย์ก็บรลือลั่นเนี่ยนะในข้อเก้าสิบเจ็ดครั้งนั้นท่านพ่านนคิดว่า นะตัวที่ไปยืนในที่เงียบๆ่ะนะน่าอัศจรรย์จิงหนอะสิ่งไม่เคยมีก็มีขึ้นแผ่นดินใหญ่นี้ก็ไหวได้หนอะแผ่นดินยังไหวได้อะนะแผ่นดินใหญ่นี้ไหวได้จริงนะหนอน่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์กบลือลัน่นอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยทําให้แผ่นดินที่ใหญ่ขนาดนี้ยังปรากฏวันไหวได้แผ่นดินยังไหวได้บนะ้างัน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 ทั้งกลองทิพย์ก็บลือลั่นอะไรเนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทําให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยไหวขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอ น, นุนเหตุแปดอย่างปัจจัยแปดอย่างทําให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยไหวได้เหตุแปดอย่างปัจจัยแปดอย่างเป็นไฉไรดูก่อนอ น, นุนแผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ําน้ําตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศ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 เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมไว้สะเทือนกําเริบวันไหวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สามที่ทําให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยไหไวได้ข้อสี่ยังมีอีกเมื่อใดพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากคันพระพุทธมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ย่อมไว้สะเทือนกําเริบวันไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สี่ที่ทําให้แผ่นดินไหวเนี่ยนะก็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 เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมไหวสะเทือนกำเริบหวั่นไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หกที่ทําให้แผ่นดินไหวแผ่นดินใหญ่เนี่ยหวั่นไหวได้ยังมีข้ออื่นอีกเมื่อตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารหรือว่าปลงอายุมายุหรือว่าถอดใจเนี่ยนะแกว่าประกาศว่าอีกสามเดือนจะปรินิพานเมื่อนั้นแผ่นดินนี้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 ทั้งชีวิตตระรูปชีวิตตะนามดับวิบากและกรรมชรูปโดยสิ้นเชิงเนะเมื่อนั้นแผ่นดินใหญ่ก็วันไหวนี้ในบรรดาเหตุผลทั้งแปดประการเนี่ยนะเหตุผลทั้งแปดประการที่ทำให้แผ่นดินไหวก็ ข, ข้อแรกก็ด้วยอุภาพของอลมเนี่ยนะที่บอกว่าลมเนี่ยอุ้มน้ำน้ำเนี่ยอุ้มแผ่นดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อลมกำเริบ น้ำก็มีปัญหาอนนลมก็อะไรก็แผลลมก็ทําให้แผ่นดินเนี่ยวันไหวอันเนี้ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่ที่หนึ่งเนยนะที่ทําให้แผ่นดินไหวอันนี้ด้วยอำนาจอุตุชลุบเนี่ยนะด้วยอนานาจอุตุนั่นเองอย่างที่สองเนี่ยนะอนุภาพของท่านผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะหรือเช่นท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยปรารถนาจะทําให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถึงความสังเวช ท, ท่านก็ทําให้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 เรียกว่าฟังธรรมครั้งเดียวหรือว่าโกนผมก็บรร้วแล้วเหมือนหลังจากที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อปลงผมเสร็จท่านก็มีความคิดว่าภิกษุรูปไหนๆมีไหมหนอที่เคยบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันที่บวชแล้วทําเวชยันต์ปราสาสตรของเท้าสักกะให้วันไหวนะปราสาสที่เรียกว่าเป็นชั้นเนี่ยนะเหมือนกับตึกที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะในสวรรค์ชั้นดาวเดืองมีไหมที่บวชวันเดียวแล้วทําให้วันไหวเลย เป็นพระอรหันต์ที่ไปทำให้ห ว, วันไหวในวันนั้นเลยจากนั้นก็ครู้เลยนะอาศัยยานหลายอย่างของท่านทำให้รู้ว่ายังไม่เคยมีใครทำก็เลยคิดว่าเราจะทำให้เวชยันต์ประสาทเนี่ยนะ ว, นวันไหวเสร็จแล้วท่านก็ไปยืนอยู่บนยอดเวเเชยันต์ประสาทที่สวนชั้นดาวดึงเนี่ยนะใช้เท้ากระทืบก็ไม่สามารถทำให้วันไหวแม้กระทั่งด้วยกำลังอภิ ญ, ญา ตอนนั้นเนี่ยนะพวกนางฟ้อนนางรามของท้าวส ก, กะก็กล่าวกับสมมเนนว่าลูกสังขรคิดเนี่ยนะเขาเรียกว่าลูกนะเพ่าอายุน้อยเพิ่งเจ็ดขวบอ่ะนะนางฟ้าทั้งหลายก็มาเรียกว่าลูกว่า ง, งั้นเธอประสงค์จะทําเวชยันตรประสาทให้วันไหวด้วยศีสระที่มีกลิ่นเหม็นเท่า น, านั้นโอ้ยอายุเขาเรียกว่าอะไรนะอายุยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมเลยว่า ง, งั้น บอาว่าอายุยังน้อยๆเนี่ยยังมีกลิ่นตัวติดมาลูกเอ้ยยังมีกลิ่นอยู่ในตัวเนี่ยนะตัวนี้เตี่ยจะไปทำปราศาสให้วันไหวได้อย่างไรปราศาทเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ตั้งที่ดีว่าปราศาทเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาสินเนรุซึ่งสูงขึ้นแปดหมื่นสี่พันยอดหย่อนลงไปในทะเลลึกอีกแปดหมื่นสี่พันยอดจะมาทำปราศาสอันนี้ให้วันไหวได้อย่างไรสรัมมนก็ระลึกขึ้นมาว่า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 เมื่อคนเช่นเจ้าเนี่ยทำด้วยชยันให้หวันไหวไม่ได้และใครจะทำให้หวันไหวได้ละ่ะเขาเลยมีวิธีแนะนำว่าเจ้าเคยเห็นก้อนโคลไม้ลอยเหนือหลังน้ำไหมล่ะพ่อคะสมัยนี้เคยเห็นกระทงรลอยน้ำไหมก็บอกว่าเคยบอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะทำขนมขนมเบื้องเขาไม่ตัดที่ปลายดอกเจ้าจงรู้ประมาอย่างนี้ก็เคยเห็น เคยเห็นไอ้นั้นทกระทงให้ไหวนี่ทำยังไงไม่ได้ยากเกีนอะไรรอกมาไงเสร็จแล้วสา ม, มเณรก็กล่าวว่าได้แนวแล้วนะก็เลยไปถึงก็อธิษฐานว่าขอน้ำจงมีตลอดโอกาสที่ปราสาท ต, ตั้งอยู่ก็เหมือนกับปราสาทลอยน้ำก็เหมือนกระทงลอยน้ำภาเหมือนกระทงรลอยน้ำเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานอธิษฐานทำให้วันไหวได้ไอตอนที่กาลังอธิษฐานอยู่นั้นนะน่ เทพพธิดาเห็นสมมนเนนก็พูดกันว่าสมมนเนนอับอายไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมาอีกเอ้ไม่อายหรือไงนะเนี่ยนะอุตสาพูดถากถางมาแล้วยังมาอีกเท้าสักกะก็ตรัสว่าพวกเจ้าอย่าไปพูดกับลูกของเราอย่างนั้นเลยบัดนี้เธอได้อาจารย์แล้วชั่วขณะเธอจะทาปราศาสตรนี้ให้วันไหวสัมมนเนนก็ใช้นิ้วเท้าเนี่ยกดยอดปราศาสปราสาสตรก็เอนไปทั้งสี่ทิศเนี่ยนะ